ถ้าจิตของเราคิดเป็นมันจะดีแต่ถ้าจิตคุณคิดไม่เป็นมันกลายเป็นไม่ดีเพราะถ้าใครคิดเป็นอะไรเนี่ยเหตุการณ์อะไรอย่างต่างในโลกนี้จะเกิดมาจะพิน่าสันตโรอะไรยังไงก็ตามคุณคิดเป็นแล้วคุณไม่ทุกข์หรอกไม่เป็นของแสลงสาหรับคุณถ้าคุณคิดเป็นแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์เวยเอามาเป็นอะไรอะ่ะต่อให้อย่างเช่นอะไรอะ่ะโอ้โหเขาเอาระเบิดไปทิ้ง นะไปฆ่ากันโอโหคนตายเยอะแยะคนคิดไม่เป็นบางทีก็เศร้าทุกกุ่มอ่าได้แต่คนคิดเป็นเขาก็รู้จักเอามาพิจารณาเอามาโปร่งบานให้เห็นถึงโอ้ชีวิตคนเรานะมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเนี่ยถ้ายังมีกิเลสอยู่มันก็ฆ่ากันอย่างนี้แล้วก็ทําให้คนเราก็จะต้องวุ่นวายสับสนอย่างนี้โอมาเอาพิจารณาจนบางทีบรรลุธรรมก็ยังได้เพราะนั้นมันอยู่ที่ความคิดของคนเรา โดยเฉพาะถ้ามาถึงขั้นภาวนาประทานเนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คิดเฉยๆในมุมบวกแต่คิดแล้วสามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงๆของเราได้เอามาใช้ได้เลยใช้แล้วก็เกิดผลจริงๆพอพิจารณาในแง่บวกเสร็จเออก็อติกเขาว่าเราดีแล้วเราก็เลยไม่หยิบเราก็เลยไม่กินขนมนั้นเพราะฉะนั้นคนนี้ก็อ่าสบายสิคนนี้พิษใหม่ไม่เอาเข้า พิษเก่าเอาออกของดีใหม่นี่เติมเข้าไปอีกร่างกายคุณจะยิ่งแข็งแรงขึ้นแล้วเพราะคุณเริ่มเอาของดีใส่เข้าไปของดีใส่เข้าไปใช่ไหมคุณคิดดูนะถ้าคุณหายใจออกอสมมติว่าหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์นี่ออกถือว่าเราไม่ต้องการนะสมมติเราหายใจออกเราต้องการออกซิเจนเข้าไปอแต่พอเวลาคุณหายใจออกซิเจนเข้าไปคุณหายใจเอาโอโ้โหมน ภาวะเป็นพิษนะนะเอาไอ้อะไรอ่ะควันลดมั่งเอากลิ่นอะไรต่ออะไรที่มันแสลงเราเนี่ยใส่เข้าไปเดี๋ยวคุณก็แย่นะคุณก็เมาหรือว่าคุณก็เจ็บคุณก็ป่วยเพราะฉะนั้นมันหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องหายใจเอาอากาศที่เราคิดว่าเออปลอดภัยสำหรับเรานะหรืออากาศมันเป็นพิษถ้าคุณเกี่ยวกับเรื่องอากาศนะ คุณก็ต้องมีอะไรอะ่ะที่กรองอากาศแล้วแหละถ้ากูจะหายใจเข้าไปเพราะจำนนท์นี่บอกแล้วยังไงก็ต้องหายใจเข้าเพราะฉะนั้นคุณต้องมีที่กรองอากาศแล้วบะหายใจเข้าไปยังไงก็ยังเออก็ยังปลอดภัยได้นะไม่ต้องเอาพิษเข้าไปเพราะันบางทีเขาจะมีหน้ากากที่คอยป้องกันหรือคอยกรองอากาศไว้บ้างก็เหมือนกันเลยเพราะันภาวนาประทานเนี่ยเหมือนกับตัวกรองอากาศนะที่จะกรองจิตกรองใจเราเนี่ยให้เรานี่รู้จักเลือก เอาสิ่งดีๆเข้ามาสู่จิตวิญญาณของเราจนกระทั่งคนนั้นมีพลังจิตนะที่ที่คิดในแง่บวกที่ทําในแง่บวกจะพูดจะจาจะอะไรเนี่ยในแง่บวกเนี่ยได้เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นมากขึ้นพลังจิตคนนี้คราวนี้คุณจะพูดคุยกับใครอ่ะคุณจะไปกินอะไรที่ไหนเริ่มล้รู้จักเลือกสรรอ่ะอันนี้แสลงไม่เอาเอาอันนี้เป็นประโยชน์เอา กินมากไปท้องพองกินน้อยไปท้องแฟบเอาแบบหายใจแบบโยคะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ได้โอ้คนนั้นฝึกตัวเองไปอย่างนี้จะสมบูรณ์จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแม่บอกแล้วโลกในปัจจุบันที่เรามีอยู่เราสามารถที่จะพยุงหรือสามารถที่จะบรรเทามาลงไปได้มากเลยเจอทั่งถ้ามาถึงตัวที่สี่ ตัวที่สี่คือแหละอนุรักษนาประทานตรงนี้แหละที่สําคัญอย่างที่บอกบางคนเนี่ยรู้อะไรดีๆรู้ได้ทําอะไรดีๆทําได้แต่ทําได้แป๊บเดียวทําไม่ต่อเนื่องทําไม่ได้ยาวนานเพมัะจึงต้องเกิดการอนุรักษนาประทานเมื่อสิ่งดีๆเนี่ยเรารู้แล้วแล้วเราพยายามเอาเข้ามาแล้วก็เอาเข้ามาเสมอเสมอสิเอาเข้ามาเอาเข้ามาบ่อยๆ เหมือนการถือศีลเนี่ยถือวันเว้นวันดีไหมหรือถืออาทิตย์ละครั้งไม่หรอกสิ่งดีๆมันควรมีทุกวันสิ่งดีๆควรมีทุกลมหายใจเข้าออกเพราะยิ่งได้มากเท่าไหร่โอ้ก็ยิ่งทําให้เราบริสุทธิ์พองใสนะอันเนี้ยสาจิจตะปริโยธาป น, นันก็ยิ่งทําให้จิตเราเนี่ยยิ่งโอ้แจม่มใสเบิกบานเพราะอะไรพิษก็ออกไป ดีก็เอาใส่เข้ามาเอาใส่เข้ามาเสร็จอ่าเอาเก็บไว้ด้วยไม่ใช่เอาเข้าออหูซ้ายแล้วก็ปล่อยออกขูขวาถ้าอย่างนี้ก็หมดจี๋เหมือนกันไม่เหลือเพราะเอาเข้ามาแล้วก็อ่าเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้มันอยู่ในตัวเรานะอย่าให้สูญหายไปไหนเอามาเก็บรักษาคำว่าเก็บรักษาก็คือว่าของดีที่มีอยู่เก็บไว้แล้วของใหม่ที่มี ของใหม่ที่ยังไม่ได้มาเนี่ก็เอามาเพิ่มใส่เข้าไปเรื่อยๆด้วยนี่คือการเก็บรักษาเพราะในสภาพความเป็นจริงของคนเราทุกอย่างในโลกนี้เสื่อมไปเป็นธรรมดาจะเป็นร่างกายคนเราจะเป็นสุขภาพกายก็ตามหรือจิตใจก็ตามจริงๆจะเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลาแม้แต่คุณงามความดีนี่มันก็เสื่อมไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่จะไม่ให้สิ่งดีๆเหล่านี้เสื่อมก็คือโอ้โหคุณต้องคอย พัฒนาอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดคุณต้องพัฒนาให้เท่ากับความเสื่อมของของยุคนั้นของสมัยนั้นหรือของวันนั้นสมมุตินะสมมติเป็นตัวเลขว่าแต่ละวันเนี่ยสมมติว่าใจคนเราก็ตามหรือสุขภาพคนเราก็ตามเสื่อมไปทุกวันสมมติว่าวันละขีดยกตัวอย่างว่าเป็นวันละขีดวันอย่างน้อยๆในแต่ละวันทั้งกายทั้งใจเราคุณต้องยังไงโอ้ต้องเสริมสร้างต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมา อย่างน้อยต้องให้ดีเข้ามาสู่กายสู่ใจของเราอย่างน้อยต้องดีได้วันละฮะดีได้วันละเท่าไหร่เาถ้าได้วันละขีดนี่เป็นไงภาษานะเรียกว่าเสมอตัวใช่ไหมภาษานะ น, นี่โดยภาษาแต่ความจริงมันไม่เสมอตัวนะมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณเสมอตัวไม่ได้คือการเวลาการเวลาคุณหยุดได้ไหม เพราะการเวลาเนี่ยหยุดไม่ได้เมื่อการเวลาหยุดไม่ได้ทุกวินาทีที่ผ่านไปคือการสูญเสียเพราะฉะนัเมื่อกี้นี้อนามากยุกตัวอย่างเป็นขีดเนี่ยบอกว่าสมมตินะเราทําดีเข้ามาวันละขีดวันละขีดวันละขีดนะพยุมกับความเสื่อมที่คนเราเสื่อมไปวันละขีดจริงๆแล้วดูแล้วเราต้องตอบว่าเสมอตัวใช่ไหมใช่ถ้าคุณคิดเป็นนําหนักแบบนั้นมันเสมอตัวแต่ความจริงคือวันเวลาในชีวิตมันเรียกคืนไม่ได้เลย แล้วมันก็หยุดนิ่งไม่ได้ด้วยใครอายุสมมุตินะใครอายุยี่สิบแล้วก็ยี่สิบอย่างนั้นตลอดได้ไหมมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ยี่สิบหนึ่งยี่สบสองยี่สบสามอะไรมันก็ขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นความเสื่อมอันนี้มันเล่นงานเราตลอดอยู่แล้วเพรวลคําที่เหล็กกี้นี่บอกว่าว่าเราทําได้กี่นึงจริงๆแล้วไม่ใช่การเสมอตัวน ะ, ะยังไม่ใช่การเสมอตัวแต่ดูโดยคร่าวๆก็ว่าเอา้ามันก็เสมอตัว คนนี้ก็ไม่เสื่อมวัยจริงๆแล้วก็คือไม่เสื่อมไปเร็วอะไรนะักแต่ยังไม่พอหรอกบอกแล้วเพราะันจริงๆแล้วความเสื่อมมันยังฉุดเราอยู่เพราะวันเวลาของชีวิตเนี่ยเราเข้าใกล้ความตายไปทุกวันวันนี้คุณไม่ทำดีคุณไม่สะสมดีไว้วันนี้คุณขาดทุนความดีแล้วคุณขาดทุนคำว่าขาดทุนความดีก็คือวันนั้นไปทาอะไรไม่ดีไม่ดีไว้ละ ว, วันคุณจะรวยความไม่ดี คุณจะรวยความเร็วแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ได้โอ้โหมันไม่พอหรอกเพราะในแต่ละวันเนี่ยจะทําความดีแค่ขีดเดียวมันไม่ได้คุณต้องทําให้มากกว่านั้นต้องทําสูงกว่านั้นชีวิตเราถึงจะแบบว่าเนี่ยอยู่สุขสบายหรือว่าวิบากกรรมที่เวลามาตามเล่นงานเราเนี่ยนนเราถึงจะพอบรรเทาได้บ้างเพราะเราได้สะสมความดีในแต่ละวันเนี่ยให้มันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันมากพอ ที่จะมาช่วยเหลือเราได้เมื่อเวลาที่เจ้าหนี้เนี่ยหนี้เวรหนี้กรรมมาตามทวงมาตามเล่นงานเราเมื่อเป็นอย่างนี้เราเองถึงจะมีบุญนี่แหละที่พูดง่ายเหมือนกับเราฝากธนาคารไว้เนี่ยบุญเนี่ยเราถึงจะควักออกมาเอามาใช้เวลาที่เจ้าหนี้เข้ามาทวงอา่าเรามีบุญนี่มาเสริมบุญนี่มาช่วยที่ทำให้เราเองก็เออพอบรรเทาทุกข์ไปได้ เพราะเวลาเจ้านีมาทวงเขาไม่จะมาทําให้คุณสุขนะเขามาทําให้ทุกข์ทาให้ทรมานทําให้เจ็บปวดาบางทีทําให้ต้องพัดพลาดทําให้ต้องสูญเสียเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเขามาทวงถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจฝึกล่างกายของเราให้ดีไว้อ้าวแล้วคุณจะเอาอะไรอะ่ะไปพยุงหรือว่าเอาอะไรไปช่วยได้พระพุทธเจา้าท่านถึงตรัสยืนยันนี่เลยว่าในโลกเนี้ยคนที่อยากจะมีความสุขจริงๆมีความสุขแท้แท้ในชีวิต มีแต่บุญเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเกื้อกูลหรือว่าช่วยเกื้อหนุนได้นอกนั้นไม่มีอะไรช่วยได้คุณจะว่าทรัพย์สมบัติคุณจะบอกว่าเอาพ่อแม่พี่น้องคือญาติเพื่อนฝูงคนที่เรารักที่ไหนเอามาช่วยเราช่วยไม่ได้เพราะเวลาคุณจะป่วยเนี่ยเวลาเจ้านี้เข้ามาทวงคุณก็ต้องป่วยไม่มีทางอื่นเลยอย่างเก่ง เพือญาติหรือว่าเพื่อนฝูงนี่ช่วยได้แค่เอาพาไปหาหมอแต่ช่วยทำให้คุณหายป่วยไม่ได้เพราะป่วยนี่มันอยู่ที่ตัวเราเองมันไม่จะอยู่ที่คนอื่นแม้แต่หมอก็เถอะไม่ได้หมอไม่ได้หมายความว่าหมอนี่สามารถรักษาคนป่วยได้ทุกคนโอ้ถ้ามีหม อ, อย่างงั้นได้ก็เยี่ยมเลยแต่ไม่จริงไม่ว่าจะเป็นหมอวิเศษขนาดไหนก็ตามไม่สามารถรักษาคนป่วยได้ทุกคนเพราะบอกแล้วว่า คนป่วยแต่ละคนเนี่ยเขามีวิบากกรรมของเขาอยู่เพราะฉะนั้นคนป่วยบางคนหมอเนี่ยมือเยี่ยมมือวิเศษยังไงมียาดีด้วยแต่รักษายังไงไม่หายคนนี้บางทีก็ต้องถึงแก่ความตายหรือว่าเสียชีวิตไปแล้ววันนี้อาจาราก็พูดนะหรือแสดงธรรมให้พวกเราได้ฟังหรือว่าได้เข้าใจในเรื่องของวิบากกรรมเพราะเรื่องของวิบากกรรมนี่เป็นเรื่อง สำคัญมากในศาสนาพุทธหรือบางทีเราใช้คำว่ากรรมนิยมศาสนาพุทธนี่เป็นกรรมนิยมไม่เหมือนลทัทธิไม่เหมือนศาสนาอื่นที่บางทีเขาเป็นเทวนิยมนะเขาเป็นอะไรต่ออะไรอะ่ะที่เขาเชื่อถือเครื่องรางของ ข, องของังหรือพรเชื่ออะไรต่ออะไรอันนั้นเป็นลทัทธิศาสนาอื่นแต่ศาสนาพุทธนี่เชื่อกฎแห่งกรรมว่าอันนี้แหละเป็นเครื่อง กำหนดเป็นเครื่องวงการชีวิตของคนเพียงแต่ว่าเป็นกรรมใหม่หรือว่าเป็นกรรมเก่าเท่านั้นเองที่มันมาผสมประสานกันแล้วก็ทำให้เป็นเราทุกวันนี้แล้วต่อไปในอนาคตเราจะได้ดีหรือเราเนี่ยจะยากจนจะร่ดรวยจะเป็นคนจริตนิสัยยางไงก็มาจากกรรมที่เรากระทำที่จะสืบต่อไปในอนาคตมันฝากนะเป็นแง่คิด ให้กับพวกเราเพราะว่าถ้าพวกเราสามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้ก็จะเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆแล้วก็จะช่วยดับทุกข์ให้กับตัวเราได้จริงๆแต่ถ้าคนนั้นเนี่ยยังไม่เข้าใจก็จะวนเวียนเ็าเรียกว่าวนอยู่ในวัฏะสงสารก็ยังจะวนอยู่อย่างนั้นใช้เงินเอาไปแก้ปัญหาหรือว่าใช้กินสูบดื่มเสพไอ้นี่นไอ้นี่เอามาแก้ปัญหาดับทุกข์ ซึ่งมันไม่พ้นทุกเผลอๆนะเอาสมมุติบางคนดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเมาไปแล้วลืมๆอะไรไปแต่เดี๋ยวพอได้สติขึ้นมาทุกหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แก้ปัญหาความเป็นจริงของชีวิตเลยมันถ้าเราเนี่ยเข้าใจสัจธรรมได้เราจะใช้ธรรมะเนี่ยแหละเข้าไปแก้ปัญหาชีวิตของเราแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยนะพ้นทุกพ้นร้อนหมาได้เนะอาสําหรับวันนี้ธรรมาก็ พยายามนะแนะนําเท่าที่คิดว่าศึกษามาแล้วก็ปฏิบัติมาที่พอจะรู้พอจะเข้าใจให้พวกเราเนี่ยได้ฟังดูแล้วก็ลองลองสิลองเอาไปประพฤติไปปฏิบัติ ด, ดูว่าเออจะเป็นอย่างนี้จริงไหมอาตมาก็เรียนรู้มาจากที่พระุทธเจา้าท่านสอนจากครูบาอาจารย์สอนแล้วเราก็มาปฏิบัติจนกระทั่งเออเห็นจริงๆ ว่าอย่างเงี้ยพาให้สุขสบายขึ้นอาตมาเนี่ยเคยโรคภัยไข้เจ็บโอ้เป็นอะไรต่ออะไรเข้าโรงพยาบาลจะตายมาก็ต้งหลายหนเจอกระทั่งเนี่ยบางคนนี่ยร้องหม่มร้องไห้ว่าไม่รอดแน่ไม่รอดแน่เอออาจจะเรียกว่าคนดวงแข็งก็ได้ก็เลยยังไม่ตายโดนรถทับมาก็แล้วจมน้ามาก็แล้วป่วยตายแบบจะวายมาก็แล้ว โอยังอุตส่าห์รอดมาได้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะมันมีผลของวิบากกรรมที่มีอยู่นะก็เลยทําให้เห็นว่าก็ยังสั่งสมบุญหรือว่ากรรมดีมาอยู่บ้างถึงได้ยังไม่ถึงข่าวเคราะห์นะเพราะฉะนั้นฝากให้กับพวกเราทุกคนว่าโปรดสั่งสมคุณงามความดีในแต่ละวันเนี่ยให้ได้มากๆเถิดแล้วบุญกุศลเหล่านี้แหละจะช่วย เราปรารถนาความสุขแล้วบุญเหล่านี้แหละจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้สุขจริงได้สุดแท้ในชีวิตแล้วทุกที่เรามีอยู่ก็จะบรรเทาลงเอวันด้วยประการในชนิดถามว่าการฆ่าคนตาย ตัวอย่างฆ่าโดยไม่เจตนานะแล้วก็ขับรถชนหรือว่ายิงคนตายอันนี้อันนี้ตัวอย่างอะไรไม่เจตนาถ้าเจตนาล่ะนะบอกว่าเนี่ยยิงเพราะโทสะยิงเพราะโมหะขับรถชนเพราะจิตอาฆาตนะมีอยู่สองอย่างทั้งข้อหนึ่งและข้อสองถ้าตัดสินด้วย เปรียบพระพุทธเจ้าท่านเป็นสารเป็นผู้วิพากษานะทางธรรมพระองค์จะตัดสินยังไงคงคงหมายความว่าอย่างนั้นอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่หลักการมีอยู่แล้วพุทธเจ้าท่านก็บัญญัติไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเราถือว่าเป็นบาปต่อเมื่อการที่เราทาชีวิตอื่นไม่ว่าเป็นคนก็ตามไม่ว่าเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อย สัตว์มีขาไม่มีขาอ่าบางคนน่ะนะยังยังยังมาเรียกมามีขาไม่มีขาคือจริงๆนะ่ะสัตว์โลกทั้งหมดแหละ <c oughs> นะถ้าสมมติว่าไปฆ่าโดยเจตนาเนี่ยถือว่าบาปฆ่าโดยเจตนาถือว่าบาปทั้งสิน้นถือว่าบาปหมดจะบอกว่าไม่บาปไม่ได้อันนี้เป็นคําพิพากษาของพระเจ้าเลยท่านมียกเว้นไว้แค่ว่า ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เพราะว่าจิตเราเนี่ยไม่มีเจตนาไม่มีเจตนายังไงมองไม่เห็นบ้างอย่างเงี้ยหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นสัตว์อย่างเช่นเดินบางเงี้ยเห็นอะไรกลมๆอยู่เงี้ยเห็นอะไรกลมๆเป็นลูกกลมๆม้วนอยู่ที่พื้นดินเราก็เอ๊ะไม่รู้อะไรนะแล้วก็เดินก็ไม่ได้เจตนาหรอกไม่ได้คิดอะไรก็เดินไปแล้วก็ไปเหยียบมันอย่างเงี้ยก็นึกว่าเป็นก้อนไม้เป็นหัวจุกเป็นอะไรไป แต่ปรากฏว่าพอเหยียบไปแปะอา้าวมองอีกทีตายกิ้งกือกิ้งกือมันม้วนเป็นกลมๆอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่จะนึกว่ามันจะเป็นกิ่งกือเหยียบไปแบนแต่แต่ตายไปแล้วอย่างเงี้ยไม่เจตนาอย่างเงี้ยเราไม่ใช่บาปกรรมเพราะว่าไปเจตนาไปฆ่ามันแต่ถึงแม้ว่าเราไม่มีบาปกรรมแบบนั้นพระเจ้าท่านก็ถือว่าเรามีวิบากรรม เพรากินกือจนั้นมันตายเนี่ยมันไม่จะอยากตายนะไม่ใช่มันมาอะไรนะมันมาหาวิธีฆ่าตัวตายโดยมาอยู่กลางถนนให้คุณเหยียบให้ในกลางทางให้คุณเหยียบเปล่าถ้านะมันบังเอิญอาจจะพยายามเดินไปอีกฝั่งหนึ่งแต่พอบังเอิญเราเดินมามันตกใจเอามันม้วนตัวอยู่เราไปเหยียบมันพอดีอย่างเงี้ยเรามีวิบากกรรมแม้ว่าเราไม่บาป ก, ก็ตาม คำว่าบาปเนี่ยโดยเฉพาะสําคัญที่สุดคือทางใจเพราะนั้นคําว่าไม่เจตนาคือใจไม่ได้ไม่ได้คิดทําร้ายไม่ได้คิดเบียดเบียนเขาแต่มาบาังเอิญบังเอิญไปทําเขาตายหรืออาตมาเคยยกตัวอย่างในที่นี้เขาก็ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเราขับรถอย่างเงี้ยเกิดไปชนเปี้ยงคนตายเลยเอ่อไม่เจตนาไม่ทันมองเห็น นะหรือบางทีพอเห็นแล้วก็เบรกไม่ทันแล้วมันก็เปรี้ยงเขาไปแล้วเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเราไม่ได้บาปกรรมเพราะเราไม่มีจิตเจตนาที่จะไปฆ่าเขาแต่มันเป็นวิบากกรรมที่เมื่อเขาตายเนี่ยคุณดูสิพ่อแม่เขายอมเหรอมพี่น้องครอบครัวเขายอมคุณเหรอเขาก็ไม่ยอมมาสิบางทีเขาไม่เอาโหรีให้ไง่ายๆนะยิ่งถ้าคุณเมาอีกคุณขับรถมาโดยอะไรอ่ะประมาท เขาอุตสาห์ข้ามทางม้าลายเงี้ยโอ้โหเหตุผลเขาเยอะเลยอะ่ะผิดผิดโดยไม่น่าผิดอะไรเงี้ยพี่น้องเขาก็ยิ่งไม่ยอมใหญ่เลยเขาก็ยิ่งถือสาเขาก็ฟ้องร้องหรือว่าเขายิ่งจะมาเล่นงานใหญ่อันเนี้ยนี่นี่คือวิบากกรรมอันนี้ไม่ใช่บาปกรรมนะอันนี้คือวิบากกรรมที่เมื่อเราทําไปแล้วมันก็มีผลของกรรมคําว่าวิบากเนี่ยแปลว่าผลกรรมนี่ก็แปลว่าการกระทํา มพราันคำว่าวิบากกรรมก็แปลเป็นไทยว่าผลของการกระทํามันจะต้องมีผลของการกระทําเมื่อเราไปขับรถชนเขาเขาถึงแก่ความตายผลมันก็ต้องตามมาสิอย่างแรกเราจะติดคุกหรือเปล่าอะผิดกฎหมายหรือเปล่านี่คือผลของการกระทําแต่เราไม่เจตนามัน้องบอกเราไม่ได้บาปทางใจอย่างนั้นใจเราไม่มีแต่คุณอาจจะต้องเสียเงินคุณอาจจะต้องติดคุกติดตารางหรือว่าอะไร อาจจะต้องเจอเพราะนี้คือการตัดสินอย่างของธรรมะเพราะนิทานธรรมะเนี่ยจะมีจะมีลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะพูดกันแต่ไม่เจตนาไม่เจตนานะแต่ตอนนี้ต้องดูจริงๆเพราะคำว่าไม่เจตนาไม่เจตนาใช้กันจนเฟอ้อบางทีเนี่ยอายุตัวอย่างบางทียุง ม, มากกัดเนี่ยรู้แล้วละ่ะว่ายุงกัด รู้แล้วว่ายุงกัดทําเป็นมองไม่เห็นหันมาข้างนี้มือมือขยี้ขยี้มันก็แบนตายเท่านั้นเองไงปวโท่อย่างนี้เจตนาจะบอกว่าไม่เจตนาไม่ได้บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นจริงคุณไม่เห็นนะคุณหันหน้าไปข้างแต่คุณรู้พระเจ้าเอาด้วยนะท่านเอาด้วยคุณไม่เห็นแต่คุณรู้ไหมถ้าคุณรู้วันนี้เป็นสัตว์แล้วถ้าทําอย่างนี้มันตายอ่า ก็ถือว่าบาปเพราะจิตนี่มิถือว่าเจตนาอย่างนี้เพราะนี้จะต้องจะต้องชัดเจนถ้าใครไม่ชัดตรงนี้แล้วเขาเรียกว่าเฉโกเาขาเรียกว่าขี้โกงขี้โกงแต่คุณจะเฉะโกคุณจะหลอกใครต่อใครก็แล้วแต่เถอะหรือจะหลอกตัวเองก็แล้วแต่แต่วิบากกรรมไม่ไม่หลอกใครวิบากกรรมตามจริงคุณก็ทําไปยังไงมัน เดี๋ยวผลวิบากมันก็มาตามนั้นนะสัจจะของกรรมเนี่ยสัจจะของกฎแห่งกรรมมันเป็นไปตามสัจจะของมันเลยนะออันนี้คำถามถามว่าถ้าทางพุทธนี่จะตัดสินยังไงส่วนนี้น เ, นเอาแถมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครถามมาเดี๋ยวมันจะต้องมีข้อพวกนี้ตามมาเพราะว่าตอบคำถามไปบ่อยแล้วก็เลยถามมาว่าอย่างเช่น อวกมันขึ้นบ้านน่ะทำไงอวกมันขึ้นบ้า น, นะจะปล่อยให้มันกินกินกินจากหลังคากินกินผนังกินกินจนหมดเลยหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหจะไปฆ่ามันจะไปอะไรมันเยอะก็บาปอะไรอย่างนี้วันอันนี้เนี่ยต้องพิจารณาเอาเองคุณต้องรู้เอาเองแหละแต่ว่าจะบอกว่าไม่บาปไม่ได้เพราะคุณจะต้องเลือกเอา อันตายกตัวอย่างให้ฟังว่าอย่างหมอหมอเขาดูแลคนป่วยคนไข้ใช่ไหมจริงจริงอ่ะแม้แต่อะไรนะี่ะพยาธเออยอะไรเออยบางทีในตัวคนเราก็มีใช่ไหมเสร็จแล้วก็ถือว่ามีชีวิตไหมคุณว่าพวกพยาธพวกอะไรมีชีวิตไหมมีทำไมมันก็เป็นสัว์โลกอย่างห น, นึ่งพยาธิเนี่ยมีก็ถือว่าเหมือนพวกไส้เดือนเหมือนพวกอะไรต่างต่ะนะ อืมเพราะฉะนั้นเมื่อมันก็มีชีวิตบอกล้อา้าวตอนนี้คนป่วยอะถือว่ามีพยาธิอยู่ในท้องเนี่ยหมอเขาจะจัดการพยาธิเขาต้องเอายาถ่ายพยาธิให้กินใช่ไหมหรือไม่ก็ยาฆ่าพยาธิให้กินลงไปเลยพยาธิจะตายอะไรอย่างเงี้ยถามว่าหมอบาปไหมอาจมาถามว่าหมอบาปไหมอย่างเงี้ยใครว่าหมอบาปมั่งยกมือ <c oughs> ถ้าตามที่อาตมาบอก ก, ก็ต้องบาปสิใช่ไหมเพราะก็รู้อยู่ว่าว่าพระญาตอ่ะแต่คราวนี้คุณดูตรงนี้คือคือถ้าไม่พูดตรงนี้เนี่ยอาตมาว่าพวกคุณก็คงวางใจกันไม่ได้เนี่ยตายแล้วสิคราวนี้ทําอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยเพราะว่ากลัวสัตว์ตายแล้วก็เป็นบาปไปมันตรงนี้เลยต้องพูดให้ฟังว่ายังหมออย่างเนี้ยดูนะสมมุติว่าเขาช่วยชีวิตคน แต่เขาเกิดต้องฆ่าต้องฆ่าสัตว์ไปเนี่ยเพราะว่าสัตว์มันมาลบกวนและอยู่ภายในร่างกายหรือเบียดเบียนหรือทำร้ายคนละเขาช่วยคนโดยที่เขาฆ่าฆ่าพญาติคุณว่าคนกับพญาธเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่ากันชีวิตเนี่ยนะอ่ชีวิตที่มีค่าเนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่าอคนมีคุณค่ากว่าโอ้โหมากมายกว่ากันเยอะเลยเพราะฉะนั้น หมอเขาก็ฉลาดที่เขาจะยอมเลือกยอมว่าอันนั้นบาปนะบาปกับยิ่งยิ่งสัตว์ที่มันมีประโยชน์น้อยอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณก็บาปแต่คุณก็อาจจะไม่ต้องไปบาปมากก็ได้คือบาปมากหรือน้อยนี่ก็อยู่ที่คุณค่าของชีวิตนั้นนะถ้าคุณยิ่งไปทำร้ายอย่างพระเจ้าจะบอกยิ่งทำร้ายพระเจ้ายิ่งบาปหนักอยายิ่งทาร้ายพระอาหารอะบาปลงมาอยายิ่งทำร้าย พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์คุณก็บาปลงมาอีกหรือทำร้ายคนเนี่ยต่ำลงมาเรื่อยต่ำลงมาเรื่อย ก, ก็บาปค่อยๆลดลงมาลดลงมาหรือถ้าเป็นบุญบุญก็ได้มากถ้าคุณทำกับพระเจ้าใช่ไหมหอ่แล้วบุญไล่ลงมาไล่ลงมากับคุณค่าของใครอ่ะใครที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ใครมีคุณค่ามากคุณทำบุญกับคนนั้นก็ได้บุญมาก เหมือนการบาปเนี่ยถ้าเราไปแกล้งไปทําร้ายาพระพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคุณไปเบียดเบียนไปทําร้ายอะไรอะ่ะโจรขโมยอา้าวคุณฆ่าก็ต่างกันแล้วถ้าคุณทํากับคนดีคุณก็บาปมากคุณไปทํากับคนชั่วอา้าวคุณก็บาปน้อยลงกว่าแต่บาปนะยังคงบาปแต่บาสน้อยลงกว่า อันนี้จะต้องแยกแยะเรื่องพวกนี้ให้รู้เพราะหมอเนี่ยถ้าเขาคิดว่าเขาช่วยคนดีแล้วเนี่ยบุญเนี่ยสมมุติบุญในการช่วยคนนี่ได้สักเจ็ดสิบส่วนแต่บาปที่เขาโอ้ทาให้พยาธิว่างตายไปเนี่ยนะก็เป็นบาปอสมมุติว่าบาปสักสามสิบอะอย่างเงี้ยเขาถือว่าเขาคุ้มเขาอะหมอเขาคิดว่าเขาคุ้มเขาอะเขาคิดว่าเขาได้บุญมากกว่าที่เขาจะเป็นบาปเขาก็เอา่ะเขาก็ทํำ อันนี้แหละว่าอันนี้จะต้องรู้เราเองจะต้องชัดเจนเองเพรา ะ, ะนั้นโดยโดยเนื้อแท้เนี่ยจะไปฆ่าสัตว์ตาชีวิตอะไรก็ตามพยายามดูไม่มีทางเลี่ยงอื่นแล้วหรื อ, อยังไงถ้าเลี่ยงอื่นอะไรได้พยายามหาทางเลี่ยงอย่างยางพวกเราเนี่ยบางทีพวกมดพวกแมลงสาพวกอะไรพวกหนูพวกอะไ ร, อะไรโอ้มารบกวนเยอะใช่ไหมแต่แทนที่เราจะฆ่ามันเนี่ย เอาไปเอากลับดักฆ่ามันเลยเราไม่ทำนะที่ที่สังคมมโสกไม่ทำอย่างนั้นเราก็พยายามอาจจะเอากงมาดักมันดักได้แล้วก็ไปหาที่ปล่อยไปปล่อยที่อื่นคือไม่ฆ่ามันหรือบางทีก็อะไรอ่ะใช้จุลินรีใช้อะไรล้างทำความสะอาดบ้านช่องเพื่อที่จะกลิ่นรบกวนมันอ่ะไอ้พวกมดมแมลงพวกนี้มันไม่ชอบจุลินรี เสร็จแล้วมันก็หนีไปที่อื่นอย่างเนี้ยเราก็ไม่จะไปฆ่ามันเนี่ยเรายังมีทางเลี่ยงหรือเรามีทางออกอื่นถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องเป็นบาปด้วยเพราะการปฏิบัติธรรมในสายของพุทธเนี่ยใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยหนึ่งใช้ธรรมะสองใช้ปัญญานะพูดรวมกันเลยว่าใช้ธรรมะปัญญาเนี่ยในการแก้ปัญหาชีวิตทุกๆวันของแต่ละคน เราใช้ธรรมะเนี่ยด้วยปัญญาเอาเข้าไปแก่เพราะถ้าใครทำอย่างนี้ได้คนนั้นเนี่ยจะทำบาปในแต่ละวันน้อยแต่จะทำบุญได้มาก